เหตุการณ์ที่เราจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเองเมื่อปี2557ช่วงนั้นคุณยายของเราที่อยู่จังหวัดขอนแก่นท่านจะทุบบ้านทำบ้านหลังใหม่ให้กว้างและสูงขึ้นเนื่องจากพักหลังช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมบ่อยมากเพราะบ้านยายอยู่ติดคลองเลยจะถมดินให้สูงขึ้นพร้อมกับตัดต้นไม้ที่เป็นป่ารอบๆ อ, ออกยายก็เรียกลูกหลานมาช่วยกันตัดต้นไม้ มีลุงกับน้าชายอาสาไปล้มต้นไม้ใหญ่แต่ว่าต้นไม้ใหญ่มันดันล้มไปทับสารหน้าบ้านจุดพังหมดคือเจ้าที่ที่บ้านของยายเป็นเทวดาดำทีน่นี้น้าหญิงเลยไปจุดธูปบอกท่านว่าจะทำสารใหม่ให้ในวันพุธหน้าซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์หลังจากนั้นก็มาถมดินรอบบ้านแต่เขาก็ไม่ได้เก็บซากสารที่พังออกไปและยังไปทับถมไปเหยียบ แต่ไม่มีใครที่บ้านรู้เรื่องจนมาถึงวันที่ถมดินเสร็จและก็เป็นวันพุทธที่ต้องตั้งสารให้ไม่ตามที่นาหญิงบอกไว้แต่น้าเขาลืมเวลาผ่านไปสองวันน้าชายที่กำลังช่วยงานจู่ๆก็เริ่มหายใจไม่ออกเลยขอกลับบ้านก่อนพอตกดึกราวๆามสี่ทุ่มแกก็รู้สึกหนักๆอกคือทรมานจนร้องไห้เป็นแบบนี้อยู่ประมาณ 2-3 วัน เลยพาไปหาหมอหมอดูอาการก็บอกว่าที่หน้าอกเหมือนถูกอะไรกระแทกไปโดนอะไรมาน้าชายก็งงเพราะไม่ได้โดนอะไรมาเลยหมอก็ให้แค่ยามาทานพอตกดึกกลับบ้านมานอนน้าชายก็เป็นอีกแล้วอาการเดิมแต่พอลืมตาขึ้นมาดูน้าเห็นเป็นขาดำๆใส่กําไลข้อเท้าสีทองกําลังเหยียบอยู่บนหน้าอกและเท้าอีกข้างเลื่อนมาเหยียบที่หน้าจนแกร้องอึกๆอักๆ เพราะหายใจไม่ออกจนภรรยาน้าชายตื่นขึ้นมาเขาถึงหายไปแต่ทีนี้น้าชายแกกลับบอกว่าจริงๆเห็นแบบนี้ตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ไม่กล้าพูดเช้าวันต่อมาน้าชายเลยมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะ้าหญิงคนที่จุดทูบบอกว่าจะทำสารให้ใหม่นึกขึ้นได้เฮ้ยลืมตั้งสารใหม่ให้ท่านเลยจากนั้นนหญิงเลยไปจุดทูปบอกท่านใหม่ ว่าทิดหน้าจะตั้งสารให้อย้ททำแบบนี้เลยจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับน้าชายอีกจนกระทั่งได้คนมาทำพิธีเรียบร้อยรอแค่วันที่จะตั้งสารแล้ววันนั้นก็มาถึงทุกคนทำพิธีพร้อมหน้าพร้อมตาและขอคมาด้วยแล้วก็ตั้งสารใหม่เรียบร้อยแต่พอผ่านไปได้เพียงแค่วันเดียวปรากฏว่าลุงที่เป็นคนล้มต้นไม้เกิดหกล้มหัวกระแทกนอนเป็นลมอยู่ริมคลอง โชคดีที่เงยหน้าไม่งั้นคงจมน้ําตายจากนั้นก็พาลุงไปหาหมอแต่ว่ายิ่งทําการรักษาลุงเท่าไหร่ลุงแกก็ยิ่งแย่ยิ่งโสมลุงเรื่อยๆหมอก็งงว่าทําไมเป็นแบบนี้เพราะไม่ได้มีโรคอะไรแทรกซ้อนเลยพอมา น, นึกดูแล้วนายหญิงเลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเจ้าที่พอกลับมาบ้านนายหญิงเลยไปจุดธูปขอให้ท่านมาเข้าฝัน เพื่อจะถามว่าทําสารให้แล้วทําไมท่านยังไม่หยุดทําร้ายคนในครอบครัวและคืนนั้นเองในะหญิงก็ฝันจริงๆฝันว่ามีชายแก่ดําทั้งตัวและมีกําไลข้อเท้าในะหญิงก็รู้เลยว่าท่านมาในฝันนะ้าถามท่านว่าทําสารให้แล้วทําไมท่านยังทําแบบนี้ท่านเลยชี้หน้าในหญิงแล้วก็บอกว่ามึงเอาใครมาทําพิธีให้กูมันศีลแตกแล้วมึงไม่รู้หรืออย่างไร อยากได้อะไรกูก็หาให้แค่ตั้งสารให้กูมันยากมากนักเหรอแล้วนะ้าก็สะดุ้งตื่นเหนื่อยท่วมตัวเช้ามาได้หญิงก็ไปเล่าให้คนอื่นๆฟังและพากันไปหาร่างทรงที่ครอบครัวเรานับถือท่านบอกว่าพูดอะไรไปแล้วไม่ทำใช่ไหมท่านโกรธท่านไม่มีที่อยู่ท่านเลยอาศัยร่างคนนี้ครอบครัวของพวกเธออยู่รีบไปทำสารในท่านซสก่อนจะสายฟังอย่างนั้นทุกคนรู้เลย ว่าหมายถึงร่างของลุงเราจากนั้นมาก็วิ่งหาคนทำพิธีแต่ก็ไม่มีใครอาการลุงก็แย่ลงทุกวันทุกวันเลยต้องกลับมาถามร่างทรงว่าหาคนทำพิธีไม่ได้ต้องทำยังไงดีท่านยังถามกลับมาว่ามีคนในครอบครัวที่ถือศีลไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่บ้างไหมซึ่งก็มีน้าชายของเรานี่แหละเลยให้นาะมาเป็นคนลงมือทาพิธีให้ถูกต้องทุกอย่างจนสาเร็จ แต่ปรากฏว่าก็สายไปแล้วท่านเอาชีวิตลุงไปแล้วทุกคนในครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้จัดงานศพเสร็จจนถึงวันที่เผาและวันนั้นท่านก็มาเข้าฝันนายหญิงยีกกูเตือนพูมมึงแล้วแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยสำหรับครอบครัวเราถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องจาไปตลอดถ้าพูดแล้วไม่ทาละเลยอาจจะต้องเสียคนที่รักไปคาพูดบางคาพูด แลกกับชีวิตมันไม่คุ้มเลย